การเข้ามาพัฒนาชีว <S an> ิตด้วยการเจริญสติเป็นเป็นกิจกรรมที่ประเสริฐวิเศษนี่ที่เป็นการกิจกรรมยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราขึ้นตามลำดับนะจากความเป็นนรกขึ้นมาเป็นเปรตจากความเป็นเปรตขึ้นมาเป็นอสุรกายจากความเป็นสุรกายขึ้นมาเป็นเดรัจฉาน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 มันกันกันเราขุดลงไปในชีวิตจิตใจของเราเรื่อยๆโดยอาศัยสติเป็นดามเสียมนะอาศัยปัญญาเป็นเสียมอาศัยแรงวิริยะศรัทธาเป็นตัวขุดลงไปเรื่อยๆฉัง <c oughs> นั้นการเจลิญสติแบบนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เราจะต้อง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 กายขณะนี้เราทํางานอะไรบ้างมีการเคลื่อนไหวเห็นได้สัมผัสได้มีการเคลื่อนไหวภายนอกการเคลื่อนไหวภายนอกที่เห็นชัดๆคือ ID บทนั่งลำดับให้เห็นชัดลงไปแล้วก็ในไอีบทนั่งเรามีอะไรต่อไปที่เห็นได้สัมผัสได้ก็มีการเคลื่อนไหวมือการเคลื่อนไหวมือพอเห็นได้ แต่อพอประการเคลื่อนไหวในส่วนอื่นการเปลีน่ยนยบทจากนั่งท่าหนึ่งไปสู่ท่าหนึ่งก็สัมผัสได้นี่ให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยจากท่ายบทที่เราเคลื่อนไหวในส่วนมือและในส่วนอื่นนะพับตาอาปากพอเห็นได้เวลาพูดอาปากเวลาพับตาพอเห็นได้แล้วหายใจเข้าไปอีก หายใจก็เพียงจะรู้ใครดูมันแต่เห็นไม่ได้แล้วเห็นไม่ชัดละเราเริ่มสัมผัส ด, ด้วยตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นเราได้ก็เฉพาะยับยาบเพื่อนไปภาพต า, าปากเปลี่ยนนิยบทเดี่ยวซ้ายไหลขวาคนอื่นสัมผัสได้เราสัมผัสได้พอลมหายใจนี่คนอื่นสัมผัดได ส, ผด ไ, ดสผไม่ได้แล้วเราสัมผัสได้คนเดียวหายใจใ น, นส่วนของลึกเข้าไปอีกเย็นร้อน อ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดที่เป็นเวทนาคนอื่นยิ่งสัมผัสไม่ได้ใหญ่นะแต่เรายิ่งเราก็สัมผัสด้วยตัวเองเห็นเข้าไปแล้วก็ในเวทนาตัวนี้ก็ตั้งแต่หัวจุดเท้าทุกอาการถึง32มสิบสองอาการมันมีเวทนาหมดลําดับตั้งแต่ไปหนักไปถึงเบาไ ป, ไปถึงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นแสบตรงนี้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 ถ้าในชั่วโมงหนึ่งเราสัมผัสได้ถึง 25% นตี่ก็ถือว่ า, าจิตของเราเนี่ยมีหลัก 25% อร์ถ้าความคิดและอารมณ์อะไรมานี่ก็พอสู้ได้ละถ้าเป็นหลักก็เรียกว่าตอกแน่นลงไปร0 0เนี่ยลงไปลึกไปยหอนี่ถ้ามีอะไรมาชนก็ไม่ไม่หลุดง่ายๆละไม่ล้มง่ายๆแบ่งเป็น4ส่วนแล้วตอกเข้าไปแล้วส่วนหนึ่ง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 ตัฝาดูตัวพิจรารณาตัวเพ่งพินิษตัวกําหนดรู้แล้วแต่เราเจะเรียกแต่เราเรียกคําว่าสติกําหนดรู้สั้นๆทีนี้ไอความละเอียดของผู้ดูผู้สังเกตเนี่ยจะมีสูงแค่ไหนถ้าสูงมากก็ดูได้ละเอียดมากทั้งลูกทั้งนามเพราะในในตัวอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งจิต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 ตัวสติสัมยาปัญญาเข้าไปกับหนูกำหนดรู้ไม่ทันตัวนามมารูปตัวนั้นก็จะ ด, ดึงดูดเอาพลังของรูปนามไปใช้รับใช้วิชาตันหาประธานกรรมเสมอแล้วก็ไปสู่กระแสของทุกกระแสของตันหาต่อไปมัน <c oughs> ตัวสร้างกระแสจริงๆก็คือตัววิชากับวิชานั่นแหละเมื่อใดวิชามาทันกระแสแห่งความดับทุกข์ก็ปรากฏ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 คำ ว, ว่าวัวตกรคมนีกุศลคือกุศลที่เป็นไปเพื่อต้องการในสิ่งที่ตนเองอยากซึ่งจะไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่พ้นจากการรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะว่าการปรุงแต่งนั่นเป็นต้นกำเนิดของความสืบทอดพบชาติต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นกี่มูนกี่พันกี่แสนพบชาติก็ต่างต้องเริ่มไปจากการปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย ทีนีบางคนบอกว่าไม่ต้องการที่จะไปเกิดเองและต้องการที่จะรู้สึกว่าให้มันจบมันสิ้นทีทีหนึ่งพระุทธองค์ก็บอกเออเธอต้องการวิวัตรคามินีกุศลที่กุศลที่เป็นไปเพื่อการไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกนี่เป็นตรงกับคําความต้องการของเราตถาคตนั้นเองแต่ละคนนี่เราบังคับกันไม่ได้ว่ามึงจะต้องอดับทุกข์ สิ้นพสิ้นชาติเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับสภาพทางปัญญาคนไหนที่มีปัญญาพัฒนามามากเขาเรียกว่าวุฒิภาวะทางปัญญาแก่กล้าเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความเวียนไว่ายใต้เกิดเห็นโทษของวัฏสงสารมามากก็ต้องการพัฒนาวิวัตตคามินิกุศลแต่คนไหนยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเ ว, ไวไียนว่ายใจเกิดก็ต้องการที่จะ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 เราจะได้ทั้งสองอย่างแล้วแล้วแต่ปรารถนาะจะได้ในส่วนที่เป็นวัตคามนีกุศลก็ได้ส่วนที่เป็นวิวัตคามณีกุศลก็ได้นะทีนี้มาดูว่าหลังจากเราสำรวจกายเห็นกายเป็นทีนี้เรามาสำรวจว่าเมื่อมีการกระทบตรงนี้ตามให้ทันนะมาสู่จุดที่สองแล้วนะจุดแรกจบไปตรงนั้นคือเรื่อง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 เข้ามาหูจมูกได้กิ่นลิ้นริมรสกายสัมผัสถูกต้องแล้วก็ความคิดมากระทบจิตนี่มาระดับกระทบบ้างว่าเราทันไหมทีนีนะ้ถ้าสมมติว่าเราจุดจออยู่กับวิวัตตาคามีกุศลจริงๆคือจุดจออยู่กับสติสมาธิปัญญาที่เป็นสัมมาปัญญาจริงๆนั้นเราก็จะเห็นการกระทบม่เพียงศัตวว่าตรงนี้ยากขึ้นมานิดนะ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 ใสยอย่างนะนี้นะนี่บางคนก็ไม่เหมือนมันไม่ใสพอก็มาต้อมอากานอีกทีหนึ่งขบวนการก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยเรเห็นไหมเมื่อมันปล่อยให้มันไหลแล้วควจะกลับน้ำควจะกลับเอาน้ําที่มันขุ่นม่เป็นน้ําใสเหมือนเดิมนี่ต้องยุ่งยากมากเลยผ่านขบวนการหลายๆอย่างนั่นก็คือการขวนขวายกระทําคุณงามความดีของของมนุษย์สโลกเพื่อต้องการน้าใสกลับคืนมาเท่านั้นเองเป้าหมาย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 แต่มาถึงทุ่นี้เราก็ไม่มีสติความพิจารณาเป็น น, นิจังธรรมรัตาก็าไปสําคัญว่าเป็นเราอีกต้องใช้แผนที่สามเราทำไงต้องมีมีแผนรองรับไปจัดการกันว่าไตัวลื่นไหลตัวปรุงแต่งเนี่ยเพราะมันเป็นเจ้ากี่เจ้าการชีวิตของเราเหลือเกินนี่นี่อันนั้นก็คือเข้าไปตราหน้ามันเลยว่าอันนี้มันมันมันเป็นมันเป็นสมมุตินนะมันไม่ของจริงนะไอความคิดที่เราคิดตรงเนี้ย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 นั่นก็คือหมายความว่ามันกระทบเรามันก็ไหลไปเรื่อยๆแต่เรารู้ว่าการลื่นไหลทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายครับให้เกิดทุกข์เนี่ยเราก็รีบหาสติสัมยามาลองรับนะบางคนก็ลองน้ำฝนได้มากบางคนลองได้น้อยบางคนภาชนะใหญ่บางคนภาชนะเล็กก็คือขั้นตอนตรงนี้เองขั้นตอนมาลองรับอารมณ์ที่มันกระทบแล้วมันปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยอน่เองตามทันไหมขั้นตอนที่หนึ่ง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 อัตราตัวตนไม่ใช่เราต้องตามตรงนั้นให้ทันนะฮรือว่าถ้าตามไม่ทันก็เกิดรูปโรกนามโรคทันทีใช่ไหมแต่เมื่อมันเกิดรูกโรนนามโรคยังมีโอกาสแก้ไขเอาทันอยู่เราพิจารณาให้เป็นนิจจังทุกขังหน้าตาแต่เมื่อพิจารณาทุกขังหน้าตาแล้วก็ทําให้ชํานาญนก็กลับมาเบื้องต้นใหม่คือกระทบสัมผัสปรับจบแต่ในเมื่อพิจารณาเป็นนิจจังทุกขังาตาแล้วมันก็ ไม่คมชัดตัดไม่ขาดลื่นไหลต่อไปอีกทำไ ง, บ, งบังคับใช่ไหมกดข่มแล้วทีนี้นั้นคน 80-90% ซมีชีวิตด้วยการข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์เพราะอะไรอารมณ์มิปรสนานยงไม่เข้มก็ใช้กดขม่มนั้นก็คือถึงขั้นตอนใช้คำว่าขันติความอดทนอดกลั่น เมือ่ออดกลอดกลั้นมากๆถ้ายังไม่เกิดปัญญาอีกความอดทนอดกลั้นนั้นก็เป็นพิษภัยทําให้เกิดความกดดันเคร่งเครียดเกร็งขึ้นมาชีวิตก็มีปัญหาแล้วทีนี้นัน ม, มันจะไปเป็นขั้นตอนนั้นมันผ่านขั้นตอนทั้งหลายขั้นตอนนั่นแต่ละเอาไม่ทันมันไงเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สดดับไไม่ไ้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเราก็าใช้สมถะความจริงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีสมถะอยู่แล้วระดับหนึ่ง เราใช้าความอดทนอดกั้นเนี่ยเป็นสมรภเป็นตบัแต่ความอดทนอดกั้นเนี่ยมันเป็นาการแก้ปัญหาขั้นปฐมภูมิเป็น r i m ม r y s ซอ r c e เท่านั้นเพื่อที่จะเตรียมการไปสู่ขั้นตอนต่อไปถ้าไอ้ตัวไอ้ปฐมพยาบาลปฐมภูมิตัวนี้ไม่ถูกพัฒนาให้เป็นปัญญาเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเราเช่นเราเก็บกดอารมณ์มากๆไปยังไงเขา ทำให้เราพอใจไม่พอไม่พอใจมากๆากแล้วกเก็บกดเพราะเราไม่มีทางออกเพราะเราไม่เคยปฏิบัติวิปสัสนามาก่อนก็ไม่มีที่ระบายเก็บกดไว้มากเข้ามากเข้าก็เป็นโรคละทีนี้โรคปวดหัวโรคไมเกรนโรคหัวใจโรคนอนไม่หลับคิดมากโรคประสาทโรควิตกกังวลออกมาทางหูทางตาละทีนี้ออกมาเป็นบุคลิกออกมาเป็นกรรมนี่เห็นไหมต้องเข้าไป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 ใจก็เบาสบายขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นธรรมนิยามนะมันเป็นกฎข้อมันอย่างนั้นเลยเราจะรู้จักไม่รู้จักก็ตามมันจะต้องเดินทางไปอย่างนั้นอ่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านบอกค้นพบกฎเกณฑ์อันนี้ท่านมาบอกเราเราถึงโชคดีเไมะงั้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับชาติไม่ท้วนนะนะนี่เราเกิดมาใน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 มันก็ตกไปสวมหนาจของนิจังทุกอนัตตาทีนี้จะทํายังไงแปลสะภาพตัวสมมติตัวนี้ความคิดอัตตาตัวนี้ให้มันเป็นอนัตตาใหเ้เป็นวิธรรมให้ได้ก็ต้องเอาตัวปัญญาเข้าไปกันกรองไปเขี่ยวเหมือนกับเราติดไฟเขี่ยวกที่ให้เป็นน้ํามันนั้นก็คือทําความเพียรเพราะฉะนั้นทําความเพียรการยกมือสร้างจังหวะการทําสมาธิการเคลื่อนไหวที่การเขี่ยว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 แต่ใครมาชมเราหน่อยเราเหมือนเราได้กินน้ําำนะส้มขันสดๆนะชื่นใจอย่างเป็นต้นมันก็มีอยู่ยนในชีวิตประจำวันแต่เราตามรู้มันไม่ทันอย่างเงยว่าอันนี้มันเป็นสมมตินะไม่ใช่ตัวเรานะทีนี้เราจะทำยังไงน้ําที่มันแปรเปลี่ยนเป็นสีเป็นรสไปแล้วเนี่ยเราจะทํามาใช้ได้อย่างสารกรไหมนํามาใช้ได้ทุกเรื่องไหมฮะจะเอากาแฟไปซักผ้านี่ยจะได้ไหมเออจะเอาน้ำโคกไปใส่หม้อแกงเนี่ย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 และสมมุติปรมัตู์โครงสร้างมาจากอะไรโครงสร้างสมมติคืออะไรโครงสร้างของสมมติปรมัตู์ก็คือขัน5ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยต้องกำเนิดออกมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้เหมือนกับสมมุติว่านาฬิกาบอกนาทีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาจากเคราะห์ไมชีนที่มันทำาทีก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงที่แค่นี้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 ลูมนามขันห้าถ้าขันห้านั้นประกอบด้วยวิชาก็จะเป็นขันห้าของอะไรของสมมุติถ้ามีวิชามาทันขันห้านั้นก็จะกลายเป็นของปรมามัดไปเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นของสมมติมองยศตะตุกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาอั ต, ตาตัว ต, วตวนเกิดขึ้น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 ทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเสร็จเลยแต่ทีนี้เรายังไม่มั่นใจเพราะปัญญามันยังไม่เกิดขึ้นมาลองรับยังไงเราก็ทําด้วยความเก๊กังๆรังๆเลๆไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมารองรับเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาลองรับมญญเมื่มอไหร่เนี่ยเราจะเจริญสติอย่างมั่นคงและสมบูรณ์มากเพราะเราเห็นประโยชน์งไงนะเราเห็นประโยชน์ว่ามันถ้าอยู่กับสติสมาธิปัญญานี่มันมีความสุขความประณีตความละเอียดอ่อนความสุขุมเยือกเย็นจริงๆ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 มนุษยการเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดยากไงทั้ทงบ้านทั้งเมืองที่มาปฏิบัติมีมนุษย์อยู่แค่นี้ใช่ไหมนอกนั้นเป็นอะไรเป็นเทวดาอินพรมยมยกักษ์เปรตอสุรกายดิแรชานเยอะแยะไปหมดมาปฏิบัติยากดังนั้นเรีว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่ว่าเกิดมาจากท้องแม่นะ<ม>เกิดจากท้องแม่ไม่ยากอะไรต้องคุมกันไวขนาดคุมก็ว่ายังไม่ค่อยอยู่เลยอ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 เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของยักษ์คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่การที่ก่อนถ้าหากยากเป็นมนุษย์ยังไม่เข้าเส้นทางของมนุษย์เราเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นคนใช่ไหมคนนั้นคนนี้คนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วแต่อันไหนมาประกอบเมื่อโทรศัมาประกอบคนก็ไปเกิดเป็นอะไรเป็นยักษ์ถ้าโทารศัพทแรงมากๆล ง, าลงมือลงมือ ก็เป็นสัตว์นรกถ้าความโรคเข้ามาประกอบเราไปเกิดเป็นอะไรเป็นเปรตนะถ้าความหลงเข้ามาสิงสู่ประกอบเข้าใจกับเราเราก็เกิดเป็นเดรัจฉานเห็นไหมแต่ถ้าฮีริโอตาปะสินห้าทำห้ามาประกอบกระผิดกับใจเราเราไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมรู้จักคมจิตขบใจเป็นทําจิตใจให้เย็นเป็นเป็นบางคักบังคั่งบางคราว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 อาทะุริสาปุคาลาเอสาพรกวดโตสาวสังโฆคู่แห่งบุรุษสคู่นับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละชื่อว่าเป็นสงสาวกของพระมีพระเจ้าเราจะไปเดินขบวนเอาพูดศาสนาเป็นศาสนาว่าจําชาญได้อย่างไรแต่คนที่มาคนขวาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงจมีเท่าไหร่ใช่ไหมเอามาเคยถามหลวงพ่อเทียนว่าเออหลวงพ่อคนที่เป็นชาวพุทธจริงๆในประเทศไทยของเราแต่เมื่อยี่สปีก่อนนะจะมีสักกี่เปอร์เซนต์หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ถึงสองเป์นต์นะว่าไง หลวงพ่อพูดน่าตกใจหมายความในร้อยคนเนี่ยจะมาสนใจเรื่องปฏิบัติเพิ่มมากเพิ่มผจริงๆไม่ถึงสองคนไงนั่นหมายความว่าเรานับถือพุทธศาสนาประเทศไทยก้บห้าเปอร์เแต่ที่ความเป็นผู้แท้ๆเนี่ยไม่ถึงสปแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนะอันนี้มาถามว่ายี่สิบปีก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นห้าปซดเอร์เได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขาไม่บัญญัติว่าพุธาพทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็จะไปเสียใจเลย เขยอมรับความเป็นจริงว่าเราเป็นผีเป็นครามเป็นอะไรอยู่นะทั้งนั้นในเช้าวันนี้ลําดับมาถึงตรงนี้ปีหน้าเข้ามาต่อกันแล้วกันเนาะไ <c oughs> <c oughs> ม่จบหลักสูตรนะทุกยจงไม่หมดงั้ไม่จบหลักสูตรนะปีหน้ามาต่อปีหน้ามาต่อจากอันนี้จังทุกข์ขันาตามาถึงตรงนี้ก็ยังดีแล้วแค่นี้ได้ไปครึ่งนี้ถ้าเอาไปใช้จริงๆนะก็ทุกหมดไปเยอะแล้วนะทุกหมดไปเยอะถ้ากลับมาปีหน้ายังกลับไปที่เดิมมีไก็ สอบตกไปเรื่อยๆนะเนี่ยทุกไปเรื่อยๆนะฉะนั้นสิ่งที่นำกล่าวมาทั้งหมดนี่เป็นกรรมลำดับอารมณ์ในวิธีการของของพระเทียนกิตตสุววาทางสายนี้ต้องไปอย่างเนี้ยไม่ใช่ไปอย่างอื่นแล้วมันก็จะไปสู่การดับการสิ้นของกระแสทุกกระแสดันหาได้ไม่ยากครึ่งสูตรนี่ถ้าใครไปทําจริงๆก็ครบสูตรนะนะถ้าหากว่าทาได้ถูกก็สูตรนี่ก็จะสมบูรณ นั้นขออนุธนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจศึกษาภาวนาเพื่อที่จะทำให้พบภูมิให้ความเป็นมุขของเราสมบูรณ์แบบเป็นอริยชาติเป็นอริยภูมิให้พ้นให้ไกลไปจากทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ